วิธีสละผ้าห่มที่เป็นนสิสกีสลาแก่สงพิกษุนีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุทราสง์ชีวียงบาข้างหนึ่งกลาบเท้าพิกษกกุนีผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าผ้าห่มนาพืช น, นี้ราคาเกินสี่กังสัดดิฉันขอมาเป็นนสิสกีดิฉันขอสละผ้าหม่มนาพืช น, นี้แก่สงครั้นสลากแล้วพึงแสดงอาบัตพิกษุนีผู้ฉลาดสามารถ พึงรับอาบัตพึงคืนผ้าห่มหนาที่เธอสละให้ด้วยยติกรร ม, มาวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้าห่มหนาผืนนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนผ้าห่มหนาผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปห่มอุตราสงฆ์ชเวียงบ่าข้างหนึ่ง กลาบท้าภิกษุณีผู้แก่พันสานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละผ้าห่มนาเพื่ น, นี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึ่งคืนผ้าห่มนาเพืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้า ดิฉันขอสละผ้าห่มนาเพื่นนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตดิฉันคืนผ้าห่มนาเพื่นนี้ให้แก่แม่เจ้า